Oh, oh.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 ไม่ได้สนใจในแง่ว่ามันเป็นการบํารุงบําเรอการตกแต่งการประดิษฐ์ประดอยการาเป็นเจ้าของไม่ได้สนใจในแง่นั้นสนใจว่าร่างกายและชีวิตนี้เป็นสมบัติที่ล้าค่าจะทํำยังไงให้เขาอยู่รอดปลอดภัยทำยังไงให้เขาอยู่ไม่ทุกข์ให้สนใจในแง่นั้นไม่ได้สนใจว่าเขาจะ ดีอย่างงามอย่างไงอย่าสุขอย่างไรอย่าได้ตามต้องการอย่างไรไม่ได้สนใจในแง่นั้นไม่สนใจในแง่ของความเป็นตันหาเพราฉะนั้นการปฏิบัติธรรมคือมาศึกษากับรูปธรรมกับนามธรรมในปฏิบัติธรรมปฏิบัติในรูปธรรมและปฏิบัติในนามธรรมปฏิบัติกับกายกับใจเรีวยกว่าปฏิบัติธรรมนะ ไม่ไม่ใช่เป็นการทําพิธีอะไรที่มันทําทให้เกิดความสลับซับซ้อนทางด้านาทฤษฎีตําลาหรื อ, อของวิเศษอะไรต่างๆไม่ใช่การศึกษาชีวิตคือปฏิบัติต่อรูปธรรมให้ดีปฏิบัติต่อนามมาทำให้ดีให้คิดว่าในตัวรูปธรรมที่เราได้มานี่เป็นสิ่งวิเศษ สิ่งมหัศจรรย์ที่เราจะดูแลรักษาของเขาได้อย่างไรเพราะเป็นสมบัติบรรพรุทธิสืบทอดกันมาเป็นความหวังของบรรพรุทธิของเราว่าเราจะใช้ร่างกายรูปธรรมนี้นำธรรมนี้เป็นเป็นที่ดับทุกข์ดับโศกดับโรคดับภัยและนำไปสู่เป้าหมายอันสูงสุดตามที่บรรพรุทธิเราปรารถนาไว้ ว่าเรามีการทําคุณงามความดีทําบุญกุศลทุกครั้งนี้เรามีความปรารถนาตั้งปรารถนาว่าขอให้บุญกุศลนี้จงเป็นปัจจัยให้ถึงถึงมรรคนิพพานนิพพานัปปัจยโยโหติคือฝากฝากต่อกันมาทุกๆรุ่นจนมาถึงเรานะเราก็ทําความหวังความปรารถนาของท่านให้บรรลุผลสําเร็จคือทําให้จิตเนี่ยจิตนี้เป็นที่รวม ของวิญญาณบรรพบรุษของเราทุกดวงอยู่ในจิตของเราถ้าเราจิตของเราบรรลุถึงสุขบรรพบรุษของเราก็บรรลุถึงสุขด้วยถ้าจิตของเรานี้เป็นทุกบรรพบรุษทุกดวงก็เป็นทุกด้วยเพราะฉะนั้นการทําจิตให้ไม่ทุกเนี่ถือว่าเป็นการทําบุญให้แก่บรรพบุพรุษอันสูงสุดและบรรพบรุษทุกดวงนั่นนึงจึงเป็นกิ จ, จ ก, กรรมที่สําคัญมากที่เราจะทําแบบ ไม่เอาใจใส่ไม่ได้พ่อเราเป็นผู้ที่รับผิดชอบต่อจิตวิญญาณบรรพุทุกดวงอยู่ในใจของเราเราจะทําทุกอย่างดังนั้นผู้ใดที่ตั้งใจทําตรงนี้ให้ได้ตามที่บรรพุทธของเราปรารถนาก็ถือว่าเราได้บุญสูงสุดคือไ ม, ไม่ไม่ทุกต่อไปแล้วไม่ต้องเกิดไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายต่อไปไม่ต้องเวียนว่ายใจเกิดอีกต่อไป ไม่ต้องตกนรกไม่ต้องขึ้นสวรรค์อีกต่อไปนะมีแต่จะไปสู่สภาวะดับเย็นสนิทอย่างเดียวไปนิพพานดังนั้นเมื่อรู้เป้าหมายอย่างนี้เราก็ต้องมาศึกษาตามลำดับว่าศึกษาในศีลศึกษาในจิตศึกษาในปัญญาหรือว่า อธิจิตอธิศีและศีขาอาธิจิตและศีขาอาธิปัญญาศีขาศึกษาใน3อย่างนี้ส่วนอธิศีและศีขาคือการศึกษาในศีล น, นั้นคือศึกษาในแง่ของการจัดระเบียบชีวิตในฝ่ายรูปนะเน้นในฝ่ายรูปอธิศีและศีขา ซึ่งได้กล่าวแล้วว่าการจัดระเบียบในฝ่ายรูปนี่จัดระเบียบในแง่สังคมก็เรียกว่าศีลสังคมจัดระเบียบในแง่ของอปรมัตา์หรือส่วนตัวแล้วก็เรียกว่ า, อ, าอริยการตศีลหรืออาชีวะบริสุทธิศีลและนั้นการเจริญสติจึงเป็นตัวสำคัญในการจัดระเบียบชีวิตนะเพราะชีวิตของเราไม่ค่อย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 มันก็จะไม่ไม่ทุกแต่ถ้าหากเราผิดและเบี่ยวกับมันเราก็จะทุกดังนั้นตัวสติจึงเป็นหัวใจเป็นหัวใจของศีลในความระลึกได้คำว่าสติแปลว่ า, าผู้แล่นไปให้ทันแล่นไปให้ถึงแล่นไปให้ถูกคำว่าสตินมาจากคำว่าสระสระารธาตุที่เรา เอาไปใช้คำว่าลูกสอนนะธาตุเดียวกันนะคำว่าสติกับสอนเนธาตุเดียวกันธาตุดิมคาว่าสระพอไปบวกติปัจจัยในภาษาบาลีก็ละตัวนั้นหายไปมารวมกับติก็กลายเป็นสติแต่พอไปลงณปัจจใจ <c oughs> มันคงธาตุดิมอย่างคำว่าสาระนะนเนี่ยคำว่าสาร ะ, ะกับสติเนี่ยนะคือรากเดียวกัน แต่ว่าสารณะแปลว่าที่พึ่งสติแปลว่าที่ระลึกธาตุอันเดียวกันเรามาแปลในภาษาไทยว่าลูกศอนสระเหมือนกันสอนตรงนั้นแปลว่าแล่นเร็วแปลว่าคมแปลว่าตรงนะแปลว่าเจาะแทงอืมนั่นหนึ่งที่มาของคาว่าสตินั่นที่แปลว่าแร่นก็หมายขางว่าจิตของเราเนี่ยมันไว เมื่อจิตมันไวผู้ที่จะตามจิตทันก็คือตัวตัวตัวนี้แหละตัวลูกศรคือสตินี่แหละสติจิตของเราเหมือนนกหรือเหมือนสัตว์นะสตินี่เหมือนลูกศรของนายพรานถ้าลูกศรของนายพรานช้ากว่าสัตว์เนี่ยก็จะจับสัตว์ไม่ได้แต่ลูกศรของนายพรานที่ยิงออกไปไม่แม่นยำก็จับสัตว์ไม่ได้เมื่อจิตของเราเนี่ยมัน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 คุ ณ, ณธรรมอีกสามตัวคือสัมมชัญญะสมาธิและปัญญาคำว่าสติตัวนั้นถึงจะทำหน้าที่ได้สมบูรณ์นะไม่ใช่สติอย่างเดียวตัว น, นั้นเองเรามาฝึกตัวรู้สึกตัวนี้ก็ฝึกให้จิตฝึกให้สติของเราเนี่ยมันมันไวขึ้นพอจิตเราไปถึงไหนสติต้องตามไปถึงนั่นจิตไปออกไปไวขนาดไหน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 ฉันใดก็ดีจิตของเราเหมือนเด็กอ่อนแต่สติเนี่ยเหมือนแม่ถ้าแม่คือสติแล่นไปไม่ทันไปจับลูกว่าไม่ทันลูกก็ต้องไปตกไปตายจิตของเราเหมือนกันมันก็ไปตามวิธีอารมณ์ส่วนใหญ่มันก็กรม ะ, ะ, ม ะ, ะนี่ปาติโนคือมักจะตกไปในที่ต่ำํำตกไปในอารมณ์ไปที่ใครเสมอในจิตของเราเพราะนั้นสติ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 ตรงนี้ตั้งใจฟังนิดหนึ่งนะพรอเวลาเราไปปฏิบัติเนี่ยเราจะต้องลําดับเพาสติที่เป็นสัญชาตญาณเนี่ยทาหน้าที่รับใช้กิเลสรับใช้อวิชชาดันหาอุปาทานเนะพราะจิตของเราถ้าหากว่าไม่คอยระลึกรู้เนี่ยตัวอวิชามันก็เข้ามันเป็นธรรมชาติของมันพอ พอคอยได ล, ลึกรู้ตัววิชาก็เกิดแต่เมื่อใดถ้าเราไม่คอยเฝ้าดูแลรู้สึกตัวตัวตัวไม่รู้สึกก็เข้ามาแทนเมื่อตัวไม่รู้สึกเข้ามาแทนสติตัวนั้นก็จะไปรับใช้ ว, วิชาดัาหาวะธรรมเราเรียกว่าความเผอลอเผลอความหลงลืมความเคยชินแล้วได้จะเรียกนะความเผอลอเผลอความหลงลืมความประมาท คนนี้เป็นชื่อของคําว่าอาวิชชานี่ถ้าหากว่าเรามีการฝึกฝนสติให้ถูกต้องเรียกว่าสัมมาสติแล้วก็คอยระลึกอยู่เสมอคอยระลึกในกายที่เราสวดไม่ขี้ระลึกในเวทนา ล, ลึกในจิตระลึกในธรรมว่าขณะนีะ้กายเราเป็นอย่างไรคอยระลึกอยู่เสมอโดยที่คอยระลึกอยู่ในในกายนี่เอง แต่ในกายนี้ท่านให้ระลึกถึงให้แยบคายถึง6กระดับด้วยกันเช่นระะลึกถึงลมหายใจเข้าออกอยู่เสมอนะระลึกถึงอิเดียบ ท, ที่เรากําลังเป็นอยู่ขณะนี้เราอยู่ในเดยบทไหนอยู่ในบทนั่งนั่งในท่าใดนะระลึกอยู่เสมอแล้วระลึกอยู่ว่าในขณะที่เรานั่งเนี่ยมีการเคลื่อนไหวแบบใดมั่ง การเคลื่อนไหวในส่วนไหนบ้างของร่างกายคอยระลึกอยู่เสมอและในการเคลื่อนไหวนี้ด้วยอํานาจของอะไรด้วยอํานาจของธาตุสีดินน้ำดวงไฟคอยระลึกอยู่ถึงธาตุสีและในตัวระลึกรู้นี้มันส่วนไหนบ้างที่มีอาการตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังไปถึงสามส่วนส่วนไหนมีอาการเรื่องอาการสามสิบสองให้ระลึกรู้ว่าอาการ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 โครงสร้างหุ่นขึ้นมาแล้วก็เอาดินเหนียวบ้างกระดาษบ้างเชือกบ้างลวดบ้างปอบ้างไปพันให้มันเข้าด้วยกันตัวซิเมนเอ็นแล้วเอาดินเหนียวไปฉาบดินเหนียวนี่เหมือ น, น, นเนื้อเลือดเลือดฉาบเข้าไปในโครงสร้างอ น, นั้นถ้าเขาเลืเลือดอยู่เป็ น, <c oughs> เ, ปนเป็นลักษณะอย่างนั้นเสมอ <c oughs> ก็จะทําให้จิตของเราเนี่ยมาคุกมีมาอยู่กับกายได้มากขึ้น มีส่วนที่จะต้องชักจูงให้จิตมาอยู่กายถึงหกระดับแต่ส่วนใหญ่ในชีวิตประจำวันเราไม่ค่อยนึกถึงท่้งทั้งที่มันมีรายละเอียดที่จะให้ดึงกลับมาได้หลายๆอย่างลมหายใจเข้าออกหนักเบาก็ชวนให้ระลึกเรียบทยืนเดินนั่งนอนก็ชวนให้ระลึกเรียบทย่อยพบภาพตา้าปากหายใจเคลื่อนไหวเหลือซ้าไหลหัวก็ชวนให้ระลึก <c oughs> ถ้าสีดินน้ำลมไฟก็ชวนให้ระลึก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 มันถึงจะแหลมคมมันถึงจะว่องไวนะในในห้องในห้องสติห้องที่หนึ่งเนี่ยคือห้องกายถ้าสมมุติว่าเป็นห้องห้องหนึ่งนะในห้องกายห้องสติห้องกายนี่มีมีเรื่องที่เรามีอุปกรณ์ถึง6ชิ้นที่เราจะต้องเข้าไปฝึกฝนมีอุปกรณ์ฝึกฝนสติให้แหลมคมถึง6ชิ้นผ่านห้องนี้ไปได้ถ้าสมมุติว่าเราชำนิชำนาญในระลึก ในหเรื่องเนี่ยเรื่องลมหายใจเรื่องอดีบุตรเรื่องบทย่อยเรื่องธาตุสีเรื่องการสรางที่เรื่องของโครงสร้างของร่างกายเรื่องของเสียร่างกายให้รลึกพิจารณาอยู่เสมอจนชำนิชํานาญเพราะจิตของเราไม่หลงลืมในเรื่องทั้งหนี้ก็ก็ถือว่าจบชั้นที่หนึ่งจบห้องหนึ่งห้องเรียนห้องที่หนึ่งแล้วจบเรื่องกายานุปัสนาสติปัฏฐานแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีการฝึกฝนไม่มีการ อบรมไม่มีการปฏิบัติมันจะนึกไม่ได้เลยเพราะไม่ได้รับการตรอกย้ำไม่ได้รับการเรียนรู้ไม่ได้การชี้แนะจิตของเราก็จะหลงเพลินไปตามอารมณ์ตามเรื่องของมันที่มันเคยไปเรื่องลูกบ้างเสียงบ้างกลิ่นบ้างรสบ้างส่วนใหญ่ก็เป็นตกไปแอาลมณ์ที่น่าใคร่น่าพอใจโดยเฉพาะความรักความใคร่ราคะตัณหาในที่มันเป็นข้อ ผูกมัดลัดลึงของเรามาชั่วกับชั่วกันที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ได้ก็เพราะอานาจของมันบีบคั้นลัดลึงให้เราต้องจิตของเราต้องตกไปหมกมุ่นคุ้มคิดอยู่ในเรื่องราคาตั้หาอยู่ก็ทำให้เราหลงลืมต่อข้อมูลที่จะฝึกฝนจิตของเราให้สูงขึ้นก็คือนำห้องสติห้องที่หนึ่งมาคอยรละลึกอยู่เสมอนะทีนี้มาดูห้องที่สองของสติบ้าง ห้องที่หนึ่งเรามีเครื่องเลือก อ, อยู่ถึง6อย่างนะมีอะไรบ้างคอยทบทวนด้วยตัวเองก็แล้วกันห้องที่สองมีส่วนที่ต้องฝึกสติให้แหลมคมรวดเร็วชัดเจนแม่นยำอยู่ถึงอ9อย่างแต่โดยย่อมีสโดยทฤษฎีเาน9นะมีสมก็คือความรู้สึกพอใจ เขาเรียกว่าสุขเวทนาความรู้สึกไม่พอใจเขาเรียกว่าทุกขเวทนาความรู้สึกยังไม่แน่ว่ามันเป็นอะไรเรียกว่าเฉยๆหรือยังไม่แน่ใจนั่นเองเขาเรียกว่าทุกขฆโมสุขเวทนาในห้องนี้จับหยาบจะมีแค่สามแต่ว่าในสุขเวทนานี้ท่านก็มาแยกออกเป็นว่าเรามีความพอใจเพราะอาศัยเหยื่อไหมหรือไม่มีเหยื่อเนี่ย อาศัยเหย่อเรียกว่าอามิธนิรามิตรความทุกข์ที่เกิดขึ้นในความไม่สบายเนี่ยที่เกิดขึ้นในกายในใจเนี่ยอาศัยเหยื่อหรือไม่มีเหยื่อถ้าอาศัยเหยื่อก็เรียกว่าอามิตรสเวทนาถ้าไม่มีเหยื่อก็เรียกนิรามิตรสเวทนาหรือไม่ได้อาศัย อ, อะไรนะความไม่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 ใจยอย่างเดียวเกิดบางครัง้งเรานั่งเฉยๆเนี่ยตาก็ไม่เห็นรูปหูไม่ได้ฟังเสียงจ ม, มูกไลม่ดมกลิ่นลิ้นก็ไม่ได้ล้มลิ้มรสกายก็ไม่ได้สัมผัสแต่ใจมันเศร้าหมองใจมันเกิดความไม่สบายขึ้นมาลอยๆข้ามานี่ยนี่เขาเรียกาไม่อาศัยเหยือ่อมันเกิดโดยตัวขึ้นมาเองอาศัยใจโดยประกัยเดียวแต่บางครั้งไปเห็นรูปแล้วรู้สึกพอใจไม่พอใจนี่หมาความความพอใจไม่พอใจอาศัยเหยือ่อเกิดหรือได้ยินเสียง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 จิตของเรามันหนีกายจิตของเรามันหนีรูปไปหนีกายไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเกิดขึ้ น, นาณะนี้เดี๋ยวนี้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งเนี่ยเรามองไม่เห็นสติของเราก็เลยไม่เข้มแข็งเนเพราะฉะนั้นในห้องที่สองนี่คือห้องแห่งความรู้สึกที่เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นเฉยๆแล้วมาแยกว่าสุขมีเหยื่อไหมหรือไม่มีเหยื่อทุกข์มีเหยื่อไหมหรือไม่มีเหยื่ออทุกขก็มาสุขมีเหยื่อหรือไม่มีเหยื่อ เนี่ยรวมกันเข้าเป็นเก้าอย่างดังนั้นเวลาเราพิจารณารูปยอดถ้าเราแยกแยกแะแเ้าก็จะสับสนว่าเอ๊ะเราจะเอาไหนดีเราจะเอาไหนดีแต่ท่านบอกว่าเวลาเราใช้ไฟฉายเนี่ยเราใช้ส่วนไหนของไฟฉายเราใช้ไฟฉายเราใช้ส่วนไหนของไฟฉาย ให้แสงสว่างใช่ไหมแต่เราจะต้องไปแยกรายละเอียดมันว่าใครใช้ประกอบด้วยแบตเตอรี่ประกอบด้วยสวิตตประกอบด้วยหลอด Lord, ประกอบด้วยหน้าเลน์ประกอบด้วยกระบอกไฟฉายประกอบด้วยท้ายเราต้องไปแยกแยะไหมไม่ต้องไปแยกแยะเพราะผลรวมมันออกมาที่ไหนที่แสงสว่างตาเห็นแค่นั้นแหะใช่ไหมแต่ว่าเวลาในรายละเอียดเนี่ยเราต้องแยกแยะเห็นว่าไอ้แสงสว่างเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นลอย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 ที่เราจะเรียนกันวันนี้แล้วก็ไปปฏิบัติในวันนี้ให้ได้ห้องที่สมเราเรียกว่ามีสติเลืลึกรู้อยู่ในจิต อ, อยู่ในจิตซึ่งมีถึง16ขณะรายละเอียดของจิตเนี่ยแต่ย่อๆว่ามีสนะแต่ในรายละเอียดมีถึง16ขณะนะแยกๆไปทีนี้การเลลึกลู่ในจิตเนี่ย หรือรู้อย่างไรอ่าพันใช้คําว่าสาราคังว่าจิตตังสาราคังจิตตันติประชานาติวีตราคังว่าจิตตังวีตาราคังจิตตันติประชานาติสะโทสังว่าสิหา ส, สูสร้างจิตตันติประชานาติวีะโทสังว่าจิตตังจิตตันติประชานาตินะคือระลึกรู้ว่าในจิตของเราในขณะนี้มีประกอบด้วยราคะความใค่อยู่ไหมหรือว่าไม่มี ขณะนี้จิตของเราประกอบด้วยโทสะ ค, คือความขัดข้องครับแค น, นอึดอัดขัดเคืองอยู่ไหมหรือว่ามันไม่มีในพิจารณาอย่างนี้ในพิจารณาว่าขณะนี้จิตใจของเรามีความหลงลืมมีความเลินเล่อประมาทเพ้อเลือ ม, มีความหรือว่ามีความระลึกได้ไหมให้เลึกอลึกอย่างนี้นี่เขาเรียก ว, ว่าเข้าไปในห้องวิจิตต่อจากนั้นมาต่อจากสามอย่างนี้ไปก็คล้ายว่าเป็นลักษณะเดียวกันแต่แยกย่อเอาไปเช่นว่าจิต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 ให้พิจารณาอย่างนี้เสมอว่าให้แยกคลายลงไปอีกนี่ห้องที่สามเรือว่าจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานในชีวิตจริงมีอยู่แต่เราเคยเห็นในรายละเอียดมันไหมเพราเราไม่เห็นเราะแต่เราไปเป็นๆซะมันก็เลยไม่เห็นเหมือนกับเราลงไปเล่นน้ําดําน้ําเนี่ยเราก็จะไม่เห็นน้ําแต่เมื่อไรเราขึ้นน้ํามานั่งอยู่บนฝั่งเราถึงจะเห็นแม่น้ําฉันใดก็ดีถ้าหากเรามีความคิดมีอารมณ์เราลงไปเล่นกับอารมณ์เสีย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 บางครั้งก็ขึ้นเล็กบางครั้งเขาขึ้นใหญ่ถ้าขึ้นใหญ่เราเรียกว่าอะไรเรียกว่าพายุใช่ไหมเรียกว่าสตอร์มถ้าลื่นเล็ ก, กเรียกว่าขึ้นสวยใช่ไหมแล้วแต่ลมที่พัดขึ้นทะเลเวลาเราไปเที่ยวทะเลถ้าหากว่ามีพายุเข้าเนี่ยก็ขึ้นทะเลสูงเป็นเมตรสองเมตรสามเมตรสี่เมตรแต่ถ้าหากว่าไม่มีลมไม่มีพายุก็ขึ้นธรรมดาเป็นละลอกขึ้นสว ย, สวย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 นี่ก็มีอยู่เราประสบอยู่นะตัวไหนมันมาแรงกว่าห้าตัวเนี่ยความขี้เกียจความหงหุดหงิดหรืออัดขัดเคืองความง่วงเหงาห้องนอนเลื่อนลอยฟุ้งซ่านลังเลสงสัยที่ห้าตัวเนี่ยตัวใดตัวหนึ่ ง, น, ง, งนี่เขาเรียกว่าทั้งทั้งหตัวนี้เขาเรียก่าลูกน้องของมารมันจะส่งมาทีเด็ตัวก่อนส่งมาเคาะประตูบ้านแล้วก่อนว่า ใ, ใครกำลังนั่งเผลอ พ, ลง พ, ลงพิงเก้าอี้น่ยมันมาเคาะละ ถ้าไม่มีการไหวตัวก็มันก็เอาตัวนั้นมาล็อกคอเรางับงับไปเลยมันจะส่งตัวขี้เกียจมาก่อนเพราะนั่งพิงเครืองยมันเพลินใช่ไหมมันเพลินมันก็ส่งตัวขี้เกียจมาล็อกคอเราก่อนพอเพลินแล้วไม่ยอมแก้อีกเดี๋ยวก็ง่วงบับไปแล้วคอหักคออย่างไปนี่มันก็ส่งมาทีละตัวละตัวแต่เราไม่รู้เท่าทันขนองเราเพราะสติของเรายัางไม่แหลมคงพอนี่เขาเรียกอารมณ์ฝ่ายอกุศลมีวันห้า ที่บางครั้งอารมณ์ฝ่ายกุศลเข้าบ้างอารมณ์ฝ่ายกุศ ล, นะลเข้าก็ทําให้เราได้ไรู้พิจารณาเห็นอันนั้นอันนี้เช่นว่าพูดชงเจ็ดอริมกักมีองค์8นี่ฝ่ายกุศลเราพิจารณาถึงการเกิดของรูป <c oughs> การเกิดของนามเป็นอย่างไรการเกิดของขันห้าเป็นอย่างไรนี่เป็นฝ่ายกุศลเพราะฉะนั้นในส่วนที่เป็นธรรมานุปัสนาหรือส่วนอารมณ์เนี่ยมีเยอะมากนะมีถึง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 เขาจมหลักสูตรนี่เขาเรียกว่าทุกข์มันหมดเพราะฉะนั้นหลักสูตรในพุทธศาสนาในนี้ค่สองหลักหลักเสขะกับหลักอาเสขะนะหลักเสขะหมายว่ากําลังเรียนรู้กําลังปฏิบัติยังไม่จบเรียกว่าอยู่ในมรรคหลักเสขะตั้งแต่นับตั้งแต่ผุุู้ชนธรรมดาจนไปถึงพระอนาคามียังอยู่ในหลักของเสขะุคนยังไม่จบการศึกษา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 าตามอารมณ์มานานพอมาฝืนอารมณ์ให้มันมาศึกษาเรื่องของจริงหน่อยมันรู้สึกมันมันไม่สนุกอะ่ะนะเพราะฉะนั้นเราจึงตกเป็นธาตุของความทุกข์เพราะอารมณ์ณวันนี้เรามาเพื่อที่จะศึกษาเพื่อจะทวนอารมณ์เล็วทวนกระแสทวนกระแสของอารมณ์คือไม่ไม่ไปตามมันเหมือนก่อนนะดังนั้นเองถือว่าโชคดีนะ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 S <S <an> เขียนอักษรให้ได้กอไก่ที่หอนเขียนอยู่นั่นแหละร้อยตัวพันตัวเขียนอยู่นั่นแหละเพื่จะเป็นกอไก่ที่งามได้ใช่ไหมสมัยนี้เขาก็ายิ่งง่ายเขาทําเป็นไฮไลท์ไว้ด้วยเ <S an> ขียนตามเส้นใช่ไหมก็ง่ายขึ้นนี่หลวงพ่อให้ไฮไลท์ไว้แล้วพวกเราก็เรียนเอาง่ายๆเขียนตามท่านเองแต่เขียนเยอะๆหน่อยนีอันนี้คือการเขียนเนยขียนร้อยครั้งพันครั้งเราเขียนลงไปจนมันชำนาญอันนี้เขียนแต่ตัวมันเฉยๆนะยังไม่ได้ประกอบนะ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 ตอนเช้านี้ก่อนที่จะตื่นเนี่ยนอนในท่าไหนเนี่ยลึกได้ไหม <c oughs> ที่นี่เนี่ยบทเลียนแรกนะมั <c oughs> ไม่ใช่เป็นของเรื่อง ส, สนุกหรือเป็นไม่ใช่อของไม่ใช่เรื่องเล่นนะจริงๆนะลึกได้ไหมว่าตอนตอนกลางคืนนี้ฝันกี่ครั้งฝันเรื่องอะไรบ้างเไ <c oughs> ม่ได้ฝันเลยฝันเยอะแยะเลยจําไม่ได้ฝันเยอะแต่จําไม่ได้ตื่นขึ้นมานอนในท่าไหนตะแคงหรือหงายหรือคว่ำหรือพลิกหรือ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 เพราะอะเพราะจิตบริสุทธิ์และรักสิ่งดีๆเข้าไปจากผู้รู้จากผู้บริสุทธิ์อย่างพระพุทธเจ้าและพระหันทั้งหลายก็รับได้ไวอย่างนางวิสาขาเนี่ยเป็นพระโสดาบันที่อายุ7ขวบมั้งนะที่กลายมาเป็นอุบาสิกามาบำรุงพระพุทธศาสนาได้อย่างเจริญรุ่งเรืองอย่างมหาศารเนี่ยนะอย่างวิสาขามหาอุบาสิกาเป็นอุบาสิกาคนแรกในพุทธศาสนาที่ช่วยชนุถนอมรักษาพุทธศาสนามาให้เราได้เนี่ย ดังนั้นเองการเจริญสตินี่เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากแต่อยู่ที่ว่าเราเห็นความสําคัญถ้าเราเห็นความสําคัญมากก็เป็นเรื่องสําคัญถ้าเราไม่เห็นความสําคัญมันก็ไม่ใช่เรื่องสําคัญอาจจะเป็นเรื่องไร้สาระได้ซ้าไปนะแต่ถ้าเราเห็นความสําคัญนเป็นเรื่องที่น่าศึกษามากอา จ, จะลุกจะนั่งจะย่างจะเดินชีวิตของเรามีความหมายมากา จ, จะหายใจที่ซ้ายไหลขวาการเก็บกาปรปวดในร่างกายเป็นยังไงเอาใจใส่ดูแล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 แผลนั้นมันระบาดไม่ได้นะไม่มีเชื้อติดลงไปนะรักษาแผลกายแผลใจด้วยด้วยยาพุทธโอสถธรรมโอสถสังฆโอสถเพราะฉะนั้นแผลแห่งอิเดียบทแผลแห่งวะะัฏฐสงสารเนี่ยมันเป็นแผลที่หม อ, อยูลารักษาไม่ได้นอกจากยาของพุ้ทีเจ้านะเพราะฉะนั้นอยากจะให้ทุกคนเห็นความสําคัญแล้วก็ใส่ใจเป็นพิเศษ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 เคลื่อนไหวไปสู่ในอดียบทต่อไปปั๊บเนี่ยต้องสนใจว่ายกอย่างไรลุกอย่างไรขยับอย่างไรแากอย่างไรก้าวอย่างไรสนใจมันไปเรื่อยๆเอาใจเข้าไปสนเรียกว่าสนใจเอาไปสนตรงไห น, น, ส, น, น, นสนตรงที่มันกําลังขยับขยันเคลื่อนไหวเรียกว่าสนใจดังนั้นคําว่าสติหรือ mindfulness เนี่ยฝรั่งภาษาฝรั่งเขาใช้ดีเขาจะ mindfulness mindfulness หมาย ว, ว่าใจฟูแปลว่าเต็มหมาย full ว่ามีความเต็มใจ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 เอาแห่เท่านั้นมากลายเป็น awake. Aw ake, เอาเวกเอาเวกแปลว่าอะไรแือ ว, ว่าตื่นนะเราจึงเรียกผู้ที่รู้ตื่นเบิกบานว่าเอาเวกเป็นวันหรือเอาเวกเป็นันใช่ไหมก็มาจากคําว่าเอาแหวแล้วมาจากคาว่าอุแหวของเรานั่นเองเกิดขึ้นมาก็อุแหวอุแหวอุแหวแล้วก็คือเอาแหว่เอาแว่นั่นแหละฉันตื่นแล้วฉันตื่นแล้วตื่นจากไหนตื่นจากหลับดับในท้องแม่มานานหลายเดือนพ็ออกจากท้องแม่มาก็อุแหวเลย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 ขี้หัวขี้หลังแขกสาวมันทุวไม่ไมไมเบื่อไม่นายในสาวผมเนี่ยอมอออกทางหูเขาเรียกอะไรขี้หูอมอออกทางตาก็เรียกขี้ตาอีกอมอออกทางจมูกเขเรียกขี้มูกมอออกทางฟันเรียกว่าขี้ฟันอมอออกทางเนื้อทางตัวเรียกว่าขี้ใครออกทวารหนักวนเอาเป็นขี้หมดน ะ, ะเห็นไหมตัวของเรามันเต็มไปด้วยขี้แต่เราก็ไปหลงมัน เต็มมันตลอดเวลานะฮะอะไรมากขมาเกิดมันแต่เราก็ช้าล้างมันทุกวันแต่มันก็ไม่เคยเบื่อแต่เราก็ไม่เคยสลดสังเวชเราก็ไม่เคยเบื่อหน่ายเพราะเรายังไม่เกิดวิปัสนาญาณไงเราก็ไปหลงรักหลงกอดหลงเล่นหลงลูบหลงคลำหลงบำบุงบำเลอมาอยู่งงั้นแหละทั้งๆที่มันเป็นขี้เราเห็นแต่ละเวลาแต่เราก็ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ตรหนักรู้เท่าไหร่เราต้องชะต้องล้างต้องอาบต้องสงต้องขัดต้องเราต้องเราต้องแต่งต้องลูบต้องไร่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 การเคลื่อนไหวก็เต็มไปด้วยการบำบัดเยีวยาแล้วชีวิตนี้ก็มันก็มีสิ่งที่น่ารื่นรมด้วยธรรมอยู่บ้างเขาเรียกเป็นธรรมปิติเกิดขึ้นแล้วทาให้เรามีความสุขความสงบอยู่บ้างด้วยธรรมนะไม่ใช่สุขสงบด้วยกิเลสนะดันั้นณวันนี้ขอให้มีความระวังสํารวมขึ้นมาอีกระดับหนึ่งจากจากเมื่อวานการเคลื่อนไหวช้าลง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 ไปตลอดเพราเราไม่เห็นทุกข์เรารก็กลายเป็นผู้ทุกข์ตลอดณนะวันนี้เรามาศึกษาเพื่อจะได้เห็นทุกข์เพื่อทุกข์จะได้ไม่ทับถมเราต่อไปนะก็ขออนุโมทนาสาธุในะความตั้งใจนะที่เราทั้งหลายจะได้นําไปฝึกฝนไปปฏิบัติให้เกิดความเห็นแจ้งรู้จริงที่จะนําชีวิตอันแสนวิเศษศักดิ์สิทธิ์มหัจจันทร์นี้ให้ปกติอยู่รอดปลอดภัยจากทุกข์ ด้วยกันทุกคนทุกท่านเถอ